ปัญหาสำคัญเกี่ยวกับนิพพานเรื่องที่หนึ่งนิพพานกับอัตตาในเรื่องนิพพานกับอัตตาบางคนยังมีปัญหาที่ติดค้างในใจว่าในขั้นสุดท้ายพระพุทธศาสนายอมรับว่ามีอัตตาหรือไม่การที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าขันห้าไม่ใช่อัตตา จะเป็นการชี้แนะให้เราหันไปรู้จักสิ่งอันนอกเหนือจากขันห้าออกไปซึ่งเป็นอัตตาที่แท้ใช่ไหมนิพพานมีอัตตานิพพานเป็นอัตตาใช่หรือไม่มีข้อควรทำความเข้าใจโดยย่อดังนี้ 1. ความเชื่อถือและทรษฎีต่างๆเกี่ยวกับอัตตาหรืออาตมันนั้นมีมูลรากเกิดจากภาวะตัณหา คือความอยากความปรารถนาที่จะมีอยู่คงอยู่ตลอดไปจากภาวะตัณหานั้นจึงทำให้ไขว้คว้าหาอะไรสักอย่างหนึ่งมาเป็นแกนหรือเป็นเนื้อแท้อันยั่งยืนของชีวิตที่จะคงอยู่เที่ยงถาวรตลอดนิรันด์เป็นเหตุให้สร้างความสำคัญมั่นหมายทิฏฐิหรือทฤษีเกี่ยวกับอัตตาขึ้นโดยยึดเอาส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งของชีวิตว่าเป็นอัตตาภาพอัตตา หรือทฤษฎีเกี่ยวกับอัตราที่สร้างขึ้นย่อมเป็นไปตามความสัมพันธ์ระหว่างภวะตันหากับสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นอัตราในชั้นต้นระดับที่ง่ายที่สุดก็ยึดกายเป็นอัตราแต่ก็เห็นได้ชัดในไม่ช้าว่าร่างกายไม่มีภาวะยั่งยืนที่จะสนองภาวะตันหาได้จึงค้นหาสิ่งที่จะยึดเป็นอัตราต่อไปอีกถัดมาก็ยึดถือจิตเป็นอัตตา เมื่อเห็นว่ายังไม่อาจสนองตันหาได้จริงก็ค้นหาต่อไปจนถึงขั้นยึดเอาภาวะที่ถือว่าเป็นต้นเดิมของสิ่งทั้งหลายบ้างยึดเอาประสบการณ์อันเป็นภาวะประนีตลึกซึ้งที่พบในฌานระดับต่างๆบ้างว่านี้แหละเป็นอัตตาที่แท้จริงในระหว่างนี้สัญญาหรือภาพที่กำหนดหมายและทฤษดีเกี่ยวกับอัตตาหรืออตาตมันก็มีลักษณะประณีตยิ่งขึ้นโดยลาดับ แต่ไม่ว่าทฤษฎีไหนจะประนีตเพียงใดก็มีเนื้อแท้อย่างเดียวกันคือสนองภวะตัณหาให้สมอยากที่จะมีอยู่คงอยู่เที่ยงแท้ตลอดไปข้อควรทำความเข้าใจในเรื่องนิพพานกับอัตตาข้อสองจุดผิดพลาดในเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งซึ่งถูกยึดถือเป็นอัตตาหรือเป็นอาตมันสิ่งเหล่านั้นผู้อมรวมเรียกว่าธรรม หรือบางทีเรียกให้มองชัดขึ้นว่าเป็นสภาวะธรรมก็คือเป็นสิ่งที่มีภาวะของมันเองที่มันเป็นเช่นนั้นเป็นของมันอย่างนั้นและเป็นอยู่เป็นไปของมันอย่างนั้นอย่างนั้นตามธรรมดาของมันเช่นถ้าเป็นสังคตธรรมมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเป็นต้นจึงไม่ต้องมีอัตตาไม่ต้องมีตัวตนหรือตัวอะไรที่จะมาแทรกมาแสงเข้ามาเป็นแก่นเป็นแกนหรือมาครอบมาครอง มาสั่งบังคับให้เป็นหรือไม่ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซ้อนเข้าไปอีกซึ่งจะทำให้สับสนและก็เป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีอัตตาสภาวะธรรมทั้งหลายจึงเป็นของมันอยู่ได้อย่างนั้นเช่นนั้นในเมื่อสิ่งทั้งหลายคือสภาวะธรรมทั้งหลายก็เป็นของมันอย่างนั้นเช่นนั้นตามธรรมดาของมันไม่ต้องมีและไม่อาจจะมีอัตตาซ้อนเข้ามาอีกชัดเจนอยู่แล้วการที่มีความยึดถืออัตตาก็เป็นความผิดพลาด เป็นการสร้างภาพสิ่งที่ไม่จริงสิ่งที่ไม่มีใส่ซ้อนเข้ามาแล้วทำไมจึงเกิดความผิดพลาดนั้นก็ตอบได้ว่ามูลเหตุของความผิดพลาดได้แก่ภาวะตันหาที่เป็นเหตุให้เกิดอุปาทานคือความยึดถือทำให้สร้างภาพอัตตาขึ้นซึ่งเมื่อเข้าไปยึดเข้าไปจับสิ่งใดๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งจริงแท้หรือไม่จริงแท้ก็ตามสิ่งนั้น น, นก็ถูกมองเห็นเป็นภาพที่ผิดพลาดบิดเบือนไปหมด ผลที่ได้จากการมองอันบิดเบือนนี้ก็คือตัวอัตราหรือภาพอัตราที่นํามายึดถือเอาไว้ในการแก้ปัญหาสิ่งที่จะต้องทําจึงไม่ใช่อยู่ที่มาวินิจฉัยกันว่ายึดอะไรเป็นอาตาัตราจะผิดจะถูกหรือว่าอะไรเป็นอาตาัตราอะไรไม่เป็นอัตราที่แท้จริงสิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือตัวความยึดถือในอัตรานั่นเองซึ่งหมายถึงทั้งภาพสัญญา ทฤษฎีอัตตาที่สร้างขึ้นตลอดไปจนถึงรากเงาคือภาวะตันหาซึ่งเป็นตัวการให้สร้างภาพสัญญาทิฏฐิหรือทฤษฎีอัตตนั้นและให้ไปยึดเอาสิ่งนั่นบ้างสิ่งนี้บ้างเป็นอัตตาและพัฒนาทฤษฎีอัตตาให้ประนีตขึ้นไปตามผู้ตามหลักธรรมว่าให้ถอนอัตตาทิฏฐิหรืออัตตานุทิฏฐิสลัดอัตตวาทะและละภาวะตันหาเสีย ข้อควรทำความเข้าใจในเรื่องนิพพานกับอัตตาข้อสการตีความที่เลยเถิดกันออกไปจนมาถกเถียงกันว่าพระพุทธศาสนาไม่ถือว่าขันห้าเป็นอัตตาแล้วอะไรจะเป็นอัตตาแท้จริงนิพพานคืออัตตาใช่หรือไม่ข้อนี้เป็นความผิดพลาดซึ่งเกิดจากการจับผิดที่คือไปมองว่าสิ่งใดถูกพระพุทธเจ้าปฏิเสธไม่ให้ยึดถือเป็นอัตตาแทนที่จะมองว่า ตัวความยึดถือในอัตานั้นถูกพระองค์ปฏิเสธอย่างไรพูดอีกนายะหนึ่งว่ามัวแต่คอยจ้องจับว่าสิ่งนี้ถูกปฏิเสธไม่ถูกปฏิเสธเลยมองไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธตัวการยึดถือหรือตัวทิฐิที่ทําให้สิ่งนั้นนั้นกลายเป็นอัตตาขึ้นมาการที่พระพุทธเจ้าทรงยกขันหคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขึ้นมาเป็นเป้าตัวอย่างในการแสดงไตรลักษณ์ ให้มองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งที่จะพึงเข้าไปยึดถือเอาไว้ได้จริงนั้นก็เพราะขันห้าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ทั่วไปจะรู้จะนึกคิดถึงได้และครอบคลุมสิ่งที่ยึดถือกันอยู่ทั่วไปว่าเป็นตัวตนแม้แต่ประสบการณ์ในฌานก็อยู่ในขันห้าและเมื่อทรงปฏิเสธขันห้าแล้วก็ไม่ใช่จะให้ไปหาอะไรมายึดแทนอีกเพราะจุดมุ่งในการสอน อยู่ที่การถอนทิฏฐิว่ามีอัตตาความยึดถือในอัตตาตลอดลงไปจนถึงรากคือภวะตันหาตังหาหาใช่เพียงเพื่อให้รู้ว่าขันห้าไม่ใช่อัตตาไม่นอกจากขันห้าแล้วเรื่องอายาตนะก็ส่งยกเป็นเป้าตัวอย่างในการแสดงตรายักษ์บ่อยเหมือนกันตัวอัตตทิฏฐิหรืออัตตานุทิฏฐิและอัตสัญญานี้ถ้าไม่ละเสีย ถึงจะจับเอาไปใส่ให้กับสิ่งใดก็ไม่มีทางถูกต้องได้อัตตามีอยู่แต่เพียงในความยึดถือของมนุษย์เมื่อปฏิเสธความยึดถือนั้นเสร็จแล้วเรื่องอัตตาก็จบไปด้วยยังจะไปหาอัตตาจริงอัตตาเท็อะไรกันอีกถ้าพระพุทธเจ้าจะทรงปฏิเสธขันห้าว่าไม่ใช่อัตตาและทรงมีจุดหมายเตรียมไว้ที่จะให้ยึดอะไรเป็นอัตตาแท้จริงแล้วเมื่อทรงปฏิเสธขันห้าเสร็จ ก็คงจะส่งชี้บอกต่อไปให้ชัดเจนเป็นแน่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรคงไม่ทรงปล่อยให้ต้องมาเดาเถียงกันอยู่อีกอัตตสัญญาคือภาพอัตตาหรือความสําคัญหมายว่าเป็นอัตตก็ดีอัตตทิฐิหรืออัตตานุติธิคือความเห็นหรือทฤษฎีเกี่ยวกับอัตตก็ดีอัตตวาทุ ป, ปาทานคือความยึดติดถือมั่น ที่ให้พูดยันอยู่ว่ามีอัตตาเป็นอัตตาก็ดีทั้งอัตตสัญญาอัตตานุทิฐิและอัตตาวัตุปาทานเป็นความเคยชินที่ถือกันมาสั่งสมกันมาไหลต่อเนื่องไปข้างเดียวจนติดฝังแน่นเมื่อถูกขัดแย้งจึงมักให้หาทางเลี่ยงออกทำให้มีการค้นหากันอีกว่าเมื่อนี่ไม่ใช่อัตตาแล้วอะไรจะเป็นอัตตาจึงต้องย้าในข้อที่ว่า อัตตาเป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นจากภวะตัญหามีอยู่ในความยึดถือคือกลายเป็นอุปาทานเมื่อหมดความอยากถอนความยึดถือนั้นแล้วก็ไม่มีเรื่องต้องพูดถึงอัตตาอีกเมื่อละภวะตันหาได้แล้วอัตตาก็หมดความหมายไปเองการที่ยังค้นหาอัตตาอยู่อีกเป็นการฟ้องอยู่ในตัวว่ายังพะวงหวงอยากมีอัตตาอยู่อีกกล่าวคือ เมื่อภาพอัตตาที่ตนยึดถืออยู่เดิมถูกคุกคามทำลายก็ตกใจกลัวตัวตนจะขาดศูนย์พินาศเสียจึงไขว่คว้าหาอัตตาใหม่มายึดหรือคว้าสิ่งอื่นมายึดเป็นอัตตาแสดงให้เห็นว่ายังคงยึดอยู่ในภาพสัญญาของอัตตาในอัตตานุทิธิในอัตอตวาทะและตัวภวะตันหาที่เป็นมูลรากก็ยังคงอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์เมื่อยังมีภาวะตันหา และภาพอัตตาก็ยังคงอยู่ในใจถึงสิ่งที่ถูกยึดเป็นอัตตาจะเปลี่ยนไปเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่สาระสำคัญก็คงเดิมคือยึดตัวอัตตาที่เป็นภาพในใจนั่นแหละเพียงแต่ระบายภาพอัตตาที่ว่านั้นให้วิจิตพิสดารออกไปสมกับสิ่งที่ถูกยึดใหม่อีกหน่อยถ้าแม้การยึดถืออัตตาไปเกี่ยวข้องกับสภาวะที่แท้จริงก็จะบิดเบือนภาพของสิ่งนั้นให้ผิดพลาดไปด้วยถ้าไปยึดนิพพานเป็นอัตตา ก็จะได้ภาพที่บิดเบือนของนิพพานซึ่งเคลือบด้วยตัณหาของตนซึ่งไม่ใช่นิพพานตัวจริงคือยังไม่ถึงนิพพานนั่นเองเพึ่งสังเกตว่าจุดที่พูดถึงตอนนี้สำคัญมากเป็นสิ่งที่แสดงความแตกต่างระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาที่เชื่อในอัตตาดังจะเห็นได้ว่าจุดหมายสูงสุดซึ่งเป็นสิ่งจริงแท้ในบางศาสนา บางสาขาปรัช ญ, ญานั้นดูเหมือนว่าแทบไม่ต่างกันเลยกับพุทธศาสนาเพียงแต่ว่าในขั้นสุดท้ายลัทธิศาสนาเหล่านั้นรับรองอัตตาหรืออาตมันโดยกล่าวว่าสภาวะจริงแท้สูงสุดนั้นเป็นอัตตาหรืออาตมันทัศนเช่นนี้เมื่อมองจากคำอธิบายข้างต้นย่อมมีความหมายว่าเจ้าลัทธิศาสนาเหล่านั้น แม้จะเข้าถึงภูมิธรรมชั้นสูงมากแล้วแต่ก็ยังติดอยู่ในเสียงกู่ร้องของความปรารถนาที่จะมีอยู่ซึ่งแฝงลึกในจิตใจดังนั้นเมื่อพูดถึงสภาวะจริงแท้นั้นอย่างน้อยก็หาแง่ความหมายบางอย่างพอให้ได้เรียกภาวะนั้นว่าอัตตาอันจะให้มีความหวังที่ตนจะมีอยู่คงอยู่ต่อไปกล่าวคือยังมีภาวะตัณหาที่จะต้องสนองอยู่นั่นเองและข้อนี้ คือสิ่งที่พระพุทธศาสนาเรียกว่าตาข่ายดักศาสดาจาร์ชั้นเลิศมาจากคำว่าพรหมชาละแปลว่าตาข่ายดักพรหมดูรายละเอียดได้ในพรหมชาลสูตรทีคณิกายศีลขันทวั์พึงระลึกไว้ว่ามีสิ่งที่สำคัญยิ่งไปกว่าอัตตาที่เคยใครกำลังแสวงหาและพูดถึงกันเสอีกสิ่งนั้นก็คือตัวความอยากมีอัตตา ที่ทำให้แสวงหาและพูดถึงอัตตานั่นเอง